เรียนครูบาอาจารย์องค์ไหนครับหลว่อพรอาจารย์มหาลิเลศสายลมพ่อเทียนสายลมพ่เทียนพีดีแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ไม่แต่เลิดเปิดเปิงออกนอกรูนอกทางหายากนะปฏิบัติส่วนมากหลงออกนอกรูนอกทางกันเยอะส่วนมากไปทําสมาธิติดสมาธิกัน หลงพ่เทียนสอนให้มีสติเราต้องมีสติให้เป็นนะสติมันก็ไม่เหมือนอย่างที่เรานึกๆกอ่ะคือนอกจากมีสติแล้วก็ต้องมีสัมมาสมาธิก็ต้องศึกษาเหมือนกันสัมมาสมาธิไม่ใช่ไม่ใช่นั่งทำสมาธาิอะไรเคริ้มเลมสัมมาสมาธิคือทำอยังไงจิตจะตั้งมั่นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเนี่ยเกิดปัญญาไม่ได้ จิตที่ไม่ตั้งมั่นคือจิตที่มันไม่อยู่กับเนื้อตัวเรามนหนีไปหนีไปนในโลกของความคิดการคาเขียนให้ใช้รักคิดคิดสายเดียวพันใช่ไหมเคยไปหาท่านไหมําเขียนออคือใจเราชอบแอบหนีิดคิดเวลาเราหนีไปคิดเรารู้เรื่องที่เราคิดแต่เราลืมกายลืมใจ ลืมตัวเราเองใช่ไหมเมื่อลืมกายลืมใจเนี่ยทําวิปัสสนาไม่ได้เพราะวิปัสสนาเนี่ยต้องรู้กายรู้ใจจะรู้กายก็ได้จะรู้ใจก็ได้เรารู้กายก็เพื่อจะรู้ใจอย่างเราขยับมือทําจังหวะกันเนี่ยทาไปทํามาเนี่ยกระตุต้นความรู้สึกตัวขึ้นมาพอเรารู้สึกตัวอยู่เนี่ยจิตเราเกิดกิเลสอะไรเราก็จะเห็นแต่ถ้าเราหลงอยู่ในโลกของความคิดเนี่ยจิตเกิดกิเลสเรามองไม่เห็นนะ จิตเกิดความทุกข์ก็มองไม่เห็นมองไม่ออกว่ามันทุกข์เพราะอะไรฉะนั้นสิ่งแรกที่พวกเราต้องเรียนจริงๆบทเรียนในทางศาสนาพูทมีอยู่สามบทคือศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาเราจะเรียนข้ามเรื่องจิตสิกขาไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างเราขยับมือขยับไปนี่ต้องรู้สึกตัวถ้ารู้สึกตัวเรียกว่าเราทา จิตสิกขาได้เรียกว่าจิตมีสัมมาสมาธิได้แต่ถ้าทำแล้วไม่รู้สึกตัวใช้ไม่ได้หลวงพ่อเข้าไปหาหลวงพระเทียนไม่ได้เป็นรู้สึกท่านเคเข้าไปวัดท่านปรับท่านทิ้ยงไปสองครั้งหลวงพระเทียนกำลังสอนญาติโยมเรมสารานี่ยสาราหลวงพ่อเทียนขยับหลวงพระเทียนขยับแล้วหลวงพ่อเทียนรู้สึกตัวลูกสึกขยับบ้าง ลูกศิษเนี่ยจิตเคลื่อนไปอยู่ที่มือเยอะเลยพวกหนึ่งจิตเคลื่อนไปอยู่ที่มือพวกหนึ่งไปคิดเรื่องมือว่าขยับท่านี้แล้วเดี๋ยวจะขยับท่านี้จิตเคลื่อนไปหลงไปเพ่งมือก็ใช้ไม่ได้จิตไปคิดเรื่องมือก็ใช้ไม่ได้แต่ถ้าขยับแล้วเพื่อให้เกิดความรู้สึกตัวนั้นถึงจะใช้ได้จิตที่รู้สึกตัวคือจิตที่มันไม่หลงไปไม่ไหลไป จิตโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะหลงไปไหลไปทางทาวารทั้งหกนั่นเองไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไหลไปทางตาอย่างเช่นเราเห็นคนเดินมาเราไปดูเขาเนี่ยใจเราวิ่งไปอยู่ที่เขาอันนี้ดูออกไหมอย่างนี้เวลาเราเห็น <c oughs> คนเดินเราดูเขาเนี่ยใจเราวิ่งไปอยู่ที่เขาเลยลืมตัวเองอย่างนี้เรียกหลงดูเวลาฟังเนี่ยเราฟังไปคิดไปนะรู้เรื่องหมดเลยฟังอะไรก็รู้เรื่องหมดเลย แต่ลืมตัวเองสังเกตไหมเราตั้งใจฟังขณะเนี้ยเราลืมตัวเราเองแล้วใช่ไหมอย่างนี้ก็เรียกหลงฟังนะเวลาเรานั่งอยู่เราก็คิดคิ ด, ค, ดคิดไปเรารู้เรื่องที่เราคิดเนี่ยเรารู้เรื่องที่เราคิดแต่เราลืมตัวเราเองนี่เรียกว่าหลงคิดหลวงพ่อเทียนสอนให้ขยับขยับเนี่ยนะเพื่อกระตุ้นความรู้สึกขึ้นมาไม่ให้หลงไปทางสวรรทั้งหกนั่นเอง เมื่อจิตไม่ลงไปทางคาวานทั้งหกจิตก็ตั้งมั่นเรียกว่าสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นก็รู้กายรู้ใจตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนเปียกเลยพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าภิกษุทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวเริ่มต้นต้องรู้สึกตัวภิกษุทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวในการก้าวไปในการถอยหลังในการคู่ในการเหยียดในการยืนเดินนั่งนอนให้รู้สึกตัว ไม่ได้ให้คิดไม่ได้ให้เพ่งให้ให้รู้สึกกายของเธออยู่ในอาการอย่างไรรู้ว่าอยู่ในอาการอย่างนั้นแต่ถ้าเราใจลอยเราไปหลงอยู่ในโลกของความคิดเรารู้กายรู้ใจไม่ได้อย่างนี้ดูออกไหมเป็นหลงหลงไปอยู่ในความคิดเนี่ยไปอีกแล้วรู้ไหมเนี่ยหัดรู้ตรงนี้นะถ้ารู้ตรงนี้ไม่ได้อย่ามาพูดเรื่องปฏิบัติทาไม่ได้หรอก ทำได้แต่สมถะสงสัยไหมฮึสงสัยอย่าไปคิดเอารู้สึกเอารู้ว่าสงสัยรู้เข้าไปตรงๆนะไม่ใช่คิดเอาวิปัสสนาอย่าเอาเรื่องคิดมาใช้ต้องรู้สึก่ะรู้เอาเนี่ยหนีไปละทราบไหมต้องอย่างนี้นะต้องรู้ทันพอจิตหนีไปปัรู้ไวๆพอรู้ไปเราจะตื่นขึ้นมาเราจะรู้สึกตัวเราจะตื่นขึ้นมา พอตื่นขึ้นมาเนี่ยตรอมาจิตมันจะเคลื่อนวิมันเคลื่อนไหลเข้าไปอย่างเนี้ยมันไหลเข้าข้างในใช่ไหมไหลไปในโลกของความคิดเราจะเห็นเลยว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นมาจิตใจจะเริ่มหนักหนักแน่นแน่นขึ้นมาความทุกข์มันเกิดขึ้นมาเพราะจิตมันหลงไปเนี่ยเราเรียนกรรมฐานไปในที่สุดเราจะรู้อริยสัจเรารู้ว่าความทุกข์เกิดได้ยังไงความทุกข์เกิดเพราะจิตมันมีตัณหามันทยานออกไป ปัญหามีหกอย่างนะปัญหาในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัทธ์ธรรมารมนี่หลงไปแเห็นไหมดูออกไหมว่ามันทรงอยู่ไม่ได้เนี่ยเรียนตรงนี้นะเรียนตรงนี้ให้เข้าใจถ้าเรียนเข้าใจตัวนี้เราทำกรรมฐานที่ไหนก็ได้หมดเลยีปยักหน้าก็รู้สึกตัวไม่ใช่ไปยักหน้าเราคิดเอานะรู้สึกเอาเนี่ยหนีอีกแล้วดูออกไหม ใจเราพร้อมจะหนีไปเที่ยวเราคิดอะไรเรารู้หมดเลยเนี่ยนะไปและวมไยักหน้ารู้สึกนะแค่พยักหน้าแล้วใจลอยนี่เรียกว่าเราฝึกให้จิตตั้งมั่นนะพอจิตเราตั้งมั่นแล้วคราว น, นี้เราจะเห็นเลยว่าความทุกข์เกิดได้ยังไงความทุกข์มันเกิดจากจิตนั้นไม่ตั้งมั่นนั่นแหละจิตไหลไปจิตหลงไปอยู่ในโลกของความคิด คิดนึกปรุงแต่งไป เ, เกิดกุศลเกิดอะไรกุศลขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมอย่างนี้หลงนะบางทีเราชอบคิดว่าทําอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติเอาใจไหลก็ไปแช่อยู่กับอะไรสักอันหนึ่งนะคิดว่าปฏิบัติอยู่จริงๆหลงอยู่แท้ๆเลยเห็นไหมดูออกไหมนั่นแหละมันหลงกันตรงนั้นเองที่ครูบาอาจารย์พาให้เคลื่อนไหวเคลื่อนไห ว, วก็กระตุ้นความรู้สึกตัว ท่านบอกเขยา่าธาตรู้ก็คือกระตุ้นความรู้สึกตัวขึ้นมาไม่ใช่แกล้งทำความรู้สึกตัวที่แท้จริงไม่ใช่อยู่ๆตั้งใจรู้สึกขึ้นมานะถ้าตั้งใจรู้สึกขึ้นมาจะแน่นๆหนักๆแน่นๆขึ้นมาแข็งๆขึ้นมาไม่นั่นของปลอมสติที่เกิดขึ้นมาถูกต้องเนี่ยสตินั้นเกิดเองเกิดจากการที่เรารู้เท่าทนันรู้ทันจิตที่มันเคลื่อนไป ไม่ใช่ไปนั่งเฝ้าไว้นะนั่งเฝ้าไว้ผิดนะทำไมถึงว่านั่งเฝ้าผิดเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแตท่านสอนให้ตามรู้คำว่ากายานุปัสสนาว่าการตามรู้กายอนุปัสสนาแปลว่าตามรู้ตามรู้กายกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาตามรู้เวทนาจิตานุปัสสนาตามรู้จิตเพราะฉะนั้นไม่ใช่นั่งเฝ้าไว้ก่อน แต่ว่ากายอยู <pursued S 1> ใ่ในอาการอย่างไรรู <antis> em, ้ว่าอยู่ในอาการอย่างนั้นจิตอยู่ในอาการอย่างไรหรือมีความรู้สึกอย่างไรรู้ว่าอยู่ในอาการนั้นหรือมีความรู้สึกอย่างนั้นทราบไหมจิตมีอาการอะไรตอนนี้ยถลำลงไปดูทราบไหมหลงดูนะนี่เรียกว่าหลงดูนะไม่ใช่รู้นะแต่ถลำลงไปรู้นะเหมือนชัาโง่ดูอะไรในบ่อแล้วขมำลงไปในน้ำแล้ว เข้าไปแล้ทราบไหมตรงนี้หลงนะทาําความรู้จักให้ดีตัวเนี้ยนักปฏิบัติร้อยละร้อยอะไร่อตายตรงนี้เองตายตรงที่คิดว่าเรากําลังปฏิบัติอยู่ทั้งๆที่กําลังหลงอยู่เนี่ยหนีพิคิดรู้ไหมตอนนี้ไปบ้างพยายามรู้สึกตัวไว้นะอย่าให้ใจมันลอยไป รู้จักใจลอยไหมข้างหลังอะ่ะชาวแพรรู้จักเห ม, ม, ม่อไหมเม่อเหมอนั่นแหละขาสติวันนึงเหม่อบ่อยไหม อ, อ่ะหรือว่าเวลาที่ใจส่งออกหรือว่าคิดในเรื่องที่สมควรจะคิดกลางานหรื อ, อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะดูออกง่ายเพราะว่าเพราะารู้ารของหรือว่าเวลาที่ ที่ใจส่งทั่วไปเนี่ยตามหาจะหาอาการอารมณ์กระและเนี่ยยังพอจะดูง่ายเจา้าค่ะแต่เวลาที่มันมันหลงไมอยู่ในความคิดอึ่งซึ่งมันไม่ออกเราเป็นว่าความคิดเรื่องอะไรแต่รู้ว่ามันมันหลงเข้าไปแล้วอดูยากเพราะว่าสภาวะอะไรที่ละเอียดหรือจิตยังไม่คุ้นก็ดูยากสติเกิดยากสติต้องเกิดเองนะถ้าเราอยากดูก็รู้ความอยากเลย เราบังคับให้สติเกิดไม่ได้แต่ว่าสภาวะอะไรที่หยาบๆก็ดูง่ายพอละเอียดขึ้นก็ดูยากต่มาใจว่างๆดูยากที่สุดเลยใจว่างๆเหมือนไม่มีอะไรให้ดูแล้วก็คิดว่าไม่มีอะไรให้ดูแล้วรจริงมีว่างให้ดูของถูกรูดไม่เอานะอย่างนี้อย่างนี้หลงนะถล่มลงไปไม่เอาตรงนี้ดูกอกไหมเข้าใจไหม ตอนนี้ทําเนืองๆรู้สึกเนืองๆที่ครูบาอาจารย์อุตส่าพาขยับขยับไปนะเพื่อจะให้รู้สึกรู้สึกตัวขึ้นมาไม่ให้หลงคิดมรู้ไหมเราหลงคิดนั่นไม่เอานะไม่เข้าไปหามันไม่ต้องไปดูว่าจะดูอะไรดีนะไม่ต้องไปกวานมันรู้สึกตัวขึ้นมาเฉยๆอย่าแกล้รู้สึกนะแกล้รู้สึกเขาแข็งๆใช้ไม่ได้ ยากไหมบางคนเขาบอกหลวงพ่อหนี้ดุที่สุดเลยนะมันไม่ตามใจโยมยากก็ต้องเรียนนะจะเรียนแต่ของง่ายก็ไม่พออุสาหนั่งรถมาลําบากแล้วก็ต้องเรียนยากๆหน่อยเนี่ยหลงนะรู้ไหมหนีไปคิดอ่ะอะรู้สึกตัวเนืองเนืองสังเกตไหมว่าตอนที่รู้สึกตัวนะ่ะโลง่ลงๆ ไม่มีอะไรเพราะไม่ได้ปรุงแต่งแต่พอไหลไปพอหลงไปก็เข้าไปปรุงแต่งจะแน่นๆ่นขึ้นมาแข็งแข็งขึ้นมาทุกข์มันเกิดแล้วเดี๋ยรู้สึกไหมไม่ปลดปรงอมเพราะว่าอะไรเพราะว่าจงใจไปทำมันเข้าการปฏิบัติจริงๆต้องปลอดจากปัญหานะปลอดจากความอยากเอาความอยากมานํำแล้วปฏิบัติไปตามที่อยากก็ความทุกข์เกิดเลย ไม่ใช่วิปัสสนาแท้ด้วยนีม่มาจากไหนคนนี้เอาม า, ม า, า, า, าออ ม, มาไกลกว่าพวกแท่อีกเนาะนึก <c oughs> ว่าพวกแทงไกลแล้วนะ <c oughs> ใจลอยบ่อยไหมจัดใจลอยไหม <c oughs> ใจลอยบ่อยๆดีอย่าใจลอยนาน ไม่ ใ, น ใ, นใลอยแวบ ร, รู้สึกแวบ ร, รู้สึกไปเรื่อ ย, อยตัวนี้มันหนีไปสังเกตไหมมันตั้งอยู่ไม่ได้มันทรงอยู่ไม่ได้มันอยู่ได้ทีละขณะมันเป็นคณนิกะสมาธิแต่ถ้าฝึกไปถึงจุดหนึ่งจิตมันจะถอดถอนเองขึ้ น, นมันทรงอยู่ได้โยทำารโ ย, โยรู้ทันไปรู้ไปไงบอยทําไมต้องกลัวด้วย เอาทางน้นใครจะส่งกันบ้านคุณเฉลิมพงษ์ว่างอือออคือถ้าเรารู้ตรงที่จิตส่งเข้าไปขาดตรงนี้่ง อา้าวส่งเข้าไปทำงานนะส่งเข้าไปส่งไปทำงานอาการที่จิตทยานเข้าไปเนะี่ยเรียกว่าตัณหาตัณหาทำให้เกิดภพคือเกิดการทำงานเนะมื่อไหร่เกิดการทำงานทางใจเมื่อนั้นความทุกข์ก็เกิดไอที่เราดูว่ากลางอกนะยังไหลเข้าไปดูเลยนะ แต่เบื้องต้นเรารู้ว่ามันเกิดอยู่กลางอกก่อนใช้ได้เพอปัญญาเรากล้าขึ้นเราจะเห็นว่าอย่างไหลเข้าไปดูอีกพอรู้ว่าไหลเข้าไปดูเนี่ยจิตจะถอดถอนตัวเองขึ้นเองครา น, นี้จะเข้าสู่ความเป็นกลางไม่มีนอกมีในแล้วก็คุณเฉลิมพงศ์รู้สึกไหมว่าความมันกลางขึ้นมาไม่มีขอบเขตเปนโลกไม่มีขอบมีเขตอะไรไม่มีจุดมีดวงอะไร ส่วนจิต ท, ที่เราส่งเข้าไปดูที่กลางอกเนี่ยรู้สึกไหมมีขอบเขตมีขอบเขตมีถูกขังไว้เนี่อเราฝึกมากๆจิตก็ถอดถอนตัวเองออกจากภพนั่นเองออกจากภพเข้าสู่ความว่างที่ไม่มีขอบเขตอะไรไม่กลุงแต่ง แต่เดิมเราฝึกรู้สึกตัวอยหลมพงรู้สึกไหมครั้งแรกแรกที่ฝึกมันรู้ได้แวบเดียวรู้ได้ขนาดหนึ่งล้วก็ไหลรู้ได้ขนาดหนึ่งลรวก็ไหลแต่ฝึกจนกระทั่ถงถ้าเราเห็นต้นทางของมันที่ไหลเข้าไปในท่อ น, นั่ะพอเห็นต้นทางนั้นไม่ไหลเข้าไปนี้ความรู้สึกตัวกับทรงอยู่ได้จะยาวเท่าไหร่ก็อยู่อย่างนั้น ถ้าฝึกจนจิตมันชินอยู่ตรงนี้แล้วก็พามันเคลื่อนเข้าไปจะเห็นทุกข์เกิดความทุกข์มันเกิดลลลลกลางจุดข้างนอกนี้นะไม่ใช่กลางนี้นะตรงนี้แต่เดิมเรานึกว่ากลางนั่นนะกลางของพบเป็นไงใจลอยสนุกไหมไม่มนสนุกก็อย่าใจลอยนานนะ ถ้าเราเคลินเนี่ยใจหนีไปเที่ยวเราก็เพลินไปนานนานกระทั่งนักปฏิบัตินะหลงปฏิบัติไม่ลองเคลื่อนไหวให้ดูซิทำเพียงหวัให้ดูหนะ่อ mm hmm. ยไม่ลองทําต่ลองโชว์หนะ่อยให้พักพวกดูพ ว, ว่าของแท้ก็เคลื่อนไหวกันอย่างนี้นะนออไม่ต้องสนใจตา ม, มานะทำไปเลย รู้ไหมว่ามันมีการทํางานทางใจจิตขนาดนี้กับตอนไม่ปฏิบัติเนี่ยไม่เหมือนกันทราบไหมเนี่ยตรงนี้กับตะ ก, กี้ไม่เหมือนกันรู้สึกไหมมาลองเคลื่อนไหลต่อไปครับรู้สึกไหมตรงนี้ก็ผิดปกติแล้วมีการกระทําบางอย่างเกิดขึ้นแล้วนั่นแหละหลงละนะนัะน่นแหละหลงปฏิบัติน่ะ หลวงพ่อเทียนะขยับไม่เหมือนพวกเราขยับนะพ่อเทียนขยับนะหลวงพ่อเทียนตื่นพวกเราขยับพวกเรานั่งจ้องรู้สึกไม่มีการถลําลงไปจ้องจ้องแล้วก็นิ่งใจก็เริ่มนิ่งเข้านิ่งเข้านั่นนหะหลวงทําสมถะละนะหลักของสมถะคือจิตนะไหลเข้าไปจดจิตมันไหลไปจุดจอในอารมมันเดียวเนะนี่ยรู้สึกไหม ยิ่งฝึกจะยิ่งหลงนะเห็นไห่ไคิดละห mm hmm. น้าที่รู้ให้ทันสภาวะจริงๆนะไม่ใช่ส่วนใหญ่นะเกือบทั้งหมดไงพอเราเริ่มลงมือปฏิบัติเราก็เริ่ ม, มลงมือปรุงแต่งเราเริ่มดัดแปลงจิตใจของเรานะหลักของวิปัสสนาแท้ๆไม่ใช่การปรุงแต่งไม่แต่งอาการทางกายทางใจอะไรทั้งสิ้นเกายอยู่ในอาการอย่างไรรู้ว่าอยู่ในอาการอย่างนั้นจิต มีสภาพเป็นยังไงจิตแอบไปทำอะไรก็รู้ทันไปตามนั้นเนียเห็นไหมลงไปจ้องมันาลองขยับใหม่ดูออกไหมเข้าไปจ้องมันอีกแล้วเนี่ยลืมตัวนะอย่างนี้เรียกว่าเผลอนะเผลอจ้องนู่นเผลอคิดเลยนะขยับแล้วหนีไป่คิดเลย ก็ขยับแล้วรู้สึกตัวนะรู้สึกเบาๆถ้าเมื่อไหร่ใจรู้สึกแข็งขึ้นนิดนึงนะหยุดเลยผิดละวแสดงว่าจิตแอบเข้าไปปรุงแต่งล้วแต่ถ้าเคลื่อนไหวแล้วใจรู้สึกตัวเบาไม่มีน้ำหนักเลยนะใช้ได้แต่ถ้าเคลื่อนไหวปุ๊บแน่นๆขึ้นมาหนักๆขึ้นมาเียต้องเข้าใจแล้วนะว่าทําผิดละวไปหลงเพ่งเขาละถ้าเพ่งก็ได้ความนิ่งๆขึ้นมาหลวงพ่อเทียนไม่ชอบธรรมะเนีย แต่พวกเราทำแล้วกลายเป็นสมถะนะแล้วใจเราไหลลงไปเกาะนิ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวเห็ยไหมไปทำอะไรมันมากมาย mm hmm. แต่เนี่ยปล่อยให้มันเคลื่อนไหวนะอย่าไปจ้องไว้จ้องไว้มันนิ่ง mm hmm. เอา้าตื่นเอา้าคุณที่เสื้อนะั่นนะอย่าถลําลงไป เคลื่อนไหวแล้วรู้สึกตัวนะไม่ใช่เคลื่อนไหวแล้วน้อมใจเข้าหาความนิ่งเคลื่อนไหวให้เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกไปถเกิรู้สึกแล้วใจไม่เบิกบานกคือรู้ไม่ไม่เบิกบานไม่เบิกบานนี่เราแห้งแรงไหยหรือเฉยเฉยรู้ว่าหลกจากที่มันรู้ว่ามันไม่เบิกบานเพราะว่ามันหลงเข้าไปในตัวเอง ขนาดที่มันไม่เบิกบานนะ่มันเป็นอกุศล น, นะขนาดที่รู้ว่าเป็นอกุศลเนี่ยกุศลเกิดแล้วเพราะฉนั้นในขณะที่รู้อกุศลบางทีจิตเบิกบานจิตดวงตะกี้มีอกุศลจิตดวงนี้ไม่มีอกุศล น, นะเพราฉะนน่การดูจิตเนี่ยเราไม่ได้ดูจิตดวงที่เป็นปัจจุบันนะเราดูจิตดวงที่เพิ่งดับไปสดๆเราเป็นอกุศลร้อนเพราะว่าอย่างจิตที่มันเผลอ เนี่ยมีสติไม่ได้แต่พอมันเผลอไปแล้วเรามีสติรู้ขึ้นมาเนี่ยเมื่อกี้เผลอแต่ตรงรู้นี่ไม่เผลอนะแล้วถัดจากนั้นเนี่ยก็มีจิตอีกดวงหนึ่งมารู้ว่าเฮ้ยจิตรู้เป็นอย่างนี้นั้นจะรู้ตามหลังตลอดอย่างนี้เขาเรียกปัจจุบันสัน ต, ตินะการดูจิตดูอย่างปัจจุบันสันส ต, ติแล้วตรงกับที่พระพุทธเจ้าบอกให้ตามรู้นั่นเองแต่ต้องตามแบบเห็นกันนะ นี่ใช่ตามแบบไม่เห็นฝุ่นโกรธเมื่อวานเรารู้วันนี้ใช้ไม่ได้นะแต่โกรธอยู่เนี่ยป๊บโกรธอยู่เนี่ยเห็นละเห็นความไหวของมันะแต่ขนาดที่รู้ความโกรธนะความโกรธไม่มีแล้วแต่บางคนดูไอ้ความโกรธก็ยังอยู่ไอ้นี่แกล้งดูนะดูด้วยโลภะดูด้วยตัณหาจิตยังไปหนักปุสน อ, อยู่ น, นี่หนีไปละวนะ